หนึ่งร้อยสตอตินาคำวิเศษปริโลซีเคยยังไม่เคยเ e ยดนยอชนด คุณเคยไปเบอร์ลินหรื อ, อยัง Я стал ивч једном били у Берлину. ไม่ยังไม่เคยเลยค่ะ Не још никада. ใครไม่มีใคร Неко нико. ค, ค, คุณรู้จักใครที่นี่ไหมคะ เพราะไม่เคยเจอเลยโอว์ดไม่ดิฉันไม่รู้จักใครที่นี่ค่ะเนยาเน่ป้ซ a ัมนี่ก็เก่าโอีกนิดอีกไม่นานยอชเน่คุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหม อ้อสเตเยติลิย์ยิ่งดูโก่ทไม่ดิฉันอยู่ที่นี่อีกไม่นานค่ะเน่ย่าเน้อ m เตเยนดิเช่อะไรอีกไม่อีกแล้วยิ่งเนสโตนิสต์ดิเคุณอยากดื่มอะไรอีกไหม желители ยิ่งนัชเนื้่ท่ีไม่ดิฉันไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วค่ะเน a ne า e l i m ništa ิ i ชอะไรบ้างแล้วยังไม่เลย v e ็จเ š ื้่ท่ยิ่ t a คุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหม เ e s ติลีวันนเนิ่นสต์เอีไม่ดิฉ an ันยังไม่ทานอะไรมาเลยค่ะเนยายอชนิสัมนิสต์เตเยอมีใครอีกไม่มีใครอีกแล้วยอชเนโคนิโควิเชมีใครอยากรับกาแฟอีกไหม จลิลี่ยินันกับคาฟไม่ไม่มีใครอีกแล้วค่ะเน้นิโกวิเกรุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด